คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เ MHz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 ดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนอ์ธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะเราพบกันเช้านี้วันเสาร์ที่สิบห้ามิถุนายน2องพันห้า้อหกสิบสองนะคะวันเวลาใหม่นะคะสําหรับการออกอากาศชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนอ์ธรรมเนียมอินก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังเปลี่ยนจากเวลาหัวค่ำดึก มาเป็นเช้ามืดเอไอเอเ็กนะคะเสียงนกจิบจิบก็มาปลุกเรานะคะถึงที่นอนบางทีเรายังไม่อยากตื่นเลยนะคะแต่ว่าเสียงเพื่อนรักสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยบินมารอบๆบบ้านก็ทำให้เราตื่นได้เหมือนกันแต่ว่า คุณฟังหลายๆท่านยังคงทำงานอยู่เป็นกำลังใจส่งกำลังใจและส่งความสดชื่นมาให้ในช่วงเช้ามืดนี้นะคะโดยเฉพาะคุณโชเฟอร์แท็กซี่โชเฟอร์รถตู้หรือรถทัวร์ซึ่งต้องทำงานหนักเวลานอนก็ไม่ได้นอนเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวก็เหมือนทวิภพยังไงยังงั้นเลยนะคะแต่ทุกคน มีความสุขกับการทำงานได้และโชคดีโชคดีที่เราอยู่ในช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ถ้าต้องไปทำงานแบบที่ดิฉันพูดเนี่ยโอ้โหคิดถึงบ้านแย่เลยยิ่งใครที่เพิ่งแต่งงานมีลูกเล็กๆ เ, เนี่ยโอโจะรู้สึกถึงความวิเวกวังเวงวิเวโวโนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัว ม, มากมากแต่ทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อสื่อสารมองเห็นหน้ากันได้คิดถึงเมื่อไหร่ก็สามารถโทรหากันได้วงเล็บถ้าเขาไม่หลับสะก่อนะคะเราอยู่ในยุคที่มันเป็นการพัฒนามาถึงวันนี้ก็เรียกว่าชีวิตวัฒนธรรมของเรามันเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำรงชีพ เราไม่ลืมนะคะว่าแต่โดนเมื่อก่อนโน้นเรามีชีวิตกันอยู่แบบไหนเราไม่ลืมนะคะว่าในอดีตเราเคยใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่ซับซ้อนไม่วุ่นวายไม่แก่งแย่งแต่ว่าความไม่สะดวกสบายมันก็มีอยู่อีกเยอะแยะดังนั้นได้อย่างก็ต้องเสียอย่างกระมังนะคะเอาเป็นว่าชีวิต ในวันนี้เราสะดวกสบายมากขึ้นเราก็หยิบเอามุมบวกแง่ดีของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเรานะคะในการที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีมิตรไมตรีเหมือนเช่นเดิมแล้วก็ มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าเราจะไม่ให้มันมาดึงเอาความสุขแบบเดิมๆของเราไปซะหมดวันก่อนดิฉันได้ฟังรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะท่านก็เป็นคนสมัยใหม่นะคะแล้วก็เรียนหนังสือถึงระดับด็อกเตอร์แต่ท่านพูดกับดิฉันว่าเราเสียดายโอกาสบางอย่างที่บางทีเนี่ยนัดเพื่อนเก่าๆ ก, กว่าจะรวมตัวกันได้ คนสิบคนมาเจอเจอกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ไงทุกคนจะต้องหยิบไอ้เจ้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นไลายเล่นเฟซเล่นทวิตเตอร์จุ้จูจูจเยอะแ ย, ยะมากมายโดยที่มาแบ่งเอาความสุขที่กว่าเราจะเจอกันไปซะงั้นแหละาว่ากันไปนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยติดเครื่องมือแล้วก็ แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้มันเมื่อจำเป็นนะคะแล้วก็ชอบคุยกับน้องว่าพี่จะใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ประโยชน์มากที่สุดก็คือโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกโดยไม่ต้องเปลืองโทรศัพท์ที่ทำงานแม้กระทั่งติดต่องานก็ใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเพราะว่าผู้คนต่างๆก็ไม่ได้ให้เบอร์สำนัก ง, งานกันสักเท่าไหร่ จนบางคนเนี่ยถึงขนาดยกเลิกเบอร์บ้านไปเลยก็มีแต่ดิฉันยังคงพูดกับสมาชิกที่บ้านว่าจงเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเอาไว้เป็นโทรศัพท์พื้นฐานเพราะเราต้องไม่ลืมว่ายุคนี้สมัยนี้ผู้คนเขามีมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ชีวิตของตนมีความสุขสะดวกและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นดังนั้นหลายคนจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือบ่อยๆด้วยศาสตร์ของตัวเลข เอนแ อ, แอคุณผู้วังอย่าบอกคุณพ่อมีกี่คนมีหลายคนเลยค่ะขนาดเพื่อนดิฉันเนี่ยซึ่งไม่เคยสนใจศาสตร์พวกนี้มาก่อนเลยดิฉ mm ันซะเองยังจะดูหมอมากกว่าเขาอีกเขาอะไม่ดูหมอเลยนะคะแต่ว่าวงเล็บวงเล็บก่อนนะคะไม่ได้ดูถีทีนะคะดูเมื่อมีโอกาสหรืออยากดูจริงๆแต่เพื่อนคนนี้เปลี่ยน เบอร์โทรศัพท์มือถือไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังกลับมาชักชวนให้ดิฉันเปลี่ยนเบอร์มือถือโดยบอกว่าเมื่อเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วเขาชีวิตดีขึ้นจุ่จูจูจซึ่งดิฉันไม่ได้คานเขาแม้แต่คําเดียวแต่ดิฉันก็ยังคงบอกตัวเองว่าโอ้โน้อถ้าดิฉันจะต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วคนที่ดิฉันติดต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อรุ่นสามสามหนึ 9. โอ้โห มองกันถ้าดิฉันเปลี่ยนตอนนี้มันจะวุ่นวายสักขนาดไหนไม่เปลี่ยนละจ้ะนะคะก็บอกกับตัวเองแต่ไม่ได้ตอบเพื่อนให้เขาเสียน้ำใจนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังคงมีเบอร์บ้านเอาไว้สำหรับว่าคนที่เขายังจดเบอร์เราไว้ในสมุดโทรศัพท์จะเล่มเล็กเล่มใหญ่เขา ไม่มีเบอร์มือถือเราเขาสามารถโทรมาที่บ้านเราแล้วก็ยังติดต่อเราได้นี่คือประโยชน์ที่ดิฉันยังคงเก็บเบอรโทรศัพท์เอาไว้ที่บ้านนะคะหลายคนก็ยังคงใช้เบอร์โทรศัพท์บ้านกับการติดต่อเพราะบอกจะคุยยาวนานเท่าไหร่ฉันก็เสียสามบาทจ้าก็ว่ากันไปแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะคะคุยกันช่วงต้นรายการชีวิตวัฒนธรรมเช้ามืดวันนี้หลายที่ก็ยังฉ่ำ ไปด้วยฝนแต่หลายที่ก็แดดเริ่มรำไรรำไรมาแล้วนะคะแต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยคุณนาราพึ่งจะตีสีก่กว่ากว่าแดดที่ไหนจะรำไรเอาถ้าคุณเมื่งฟังไปอยู่บนภูกระดึงป่านี้คุณก็เดินลุยไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วละ่ะถ้าฝนไม่ตกซะก่อนหรือถ้าท่านใดยอยู่ชายทะเลจะอดใจได้หรอคะโดยเฉพาะถ้าไปกับหวานใจเนี่ยที่จะไม่จูงมือกันออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ดิฉันเป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาไปทะเลแล้วจะต้องหาเลยค่ะว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงนั้นไหมพระอาทิตย์ตกตรงนี้ไหมแล้วก็มักจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเพราะโอ้มันสวยงามคนละแบบก็จริงแต่มันได้ความรู้สึกและได้ความสดชื่นแตกต่างกันมาและอดไม่ได้ละค่ะประโยชน์จากมือถือตรงนี้ชัดเจนเลยค่ะ ถ่ายรูปไม่นับเลยนะคะแล้วค่อยกลับมาเลือกเอาเอา้าวนี่คือเรื่องดาวช่วงต้นของชีวิตวัฒนธรรมมาปลุกคุณผู้ฟังที่จะต้องเตรียมไปทำธุระหรือไปทำงานกันในเช้ามืดวันเสาร์นี้มีคุณะเนศอยู่เป็นเพื่อนนะคะขอช่วยบันทึกเสียงแล้วก็หาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันดังนั้นฟังเพลงแรกจากคุณธเนศก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ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 ฟังที่เคารพคะเชา้านี้คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพนธ์ธรรมเนียมอินดาเนินรายการนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณปลุกคุณขึ้นมาเช้ามืดวันเสาร์ที่15มิถุนายนทาง FM 89.5 สสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีช่วงนี้คุณผู้ฟังก็คงจะได้ข่าวอันเป็นมงคลเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับการประกาศรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั ก, กรีนะคะซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตสิทธิและมีคุณอุปการต่อวงการศึกษา11ประเทศนะคะซึ่งได้มีการประกาศ รางวัล น, นี้ไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาที่หอสมุดคุรุสภาสํานัก ง, งานเลขาธิการคุรุสภานะคะโดยมู ล, ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาั ก, กรีร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสํานัก ง, งานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างประเทศนะคะก็เปิดงานแถลงข่าว รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาั ก, กรกีครั้งที่สปี2562ค่ะโดยดรกฤษณพงศ์กิรติกรประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาั ก, กรีกล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจั ก, กรีเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูการทำงานของครูโดยครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลมาจากการคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและดิมอร์เลสเ ต, ตทั้ง11ประเทศนะคะโดยมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณอุปการต่อวงการการศึกษาประเทศละหนึ่งคนค่ะซึ่ง ก็จะมีการคัดเลือกสุดยอดครูสองปีต่อครั้งโดยของพระราชทานรางวัลประกอบด้วยเหรียญรางวัลประกาศนียบัตรโลหเข็มเชือดชูเกียรติทองคำและเงินรางวัลรางวัลละหมื่นเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะมีกำหนดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่15ตุลาคม2562นะคะพร้อมกับมีการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเชื่อมร้อยการเรียนรู้การทำงานของครูในอาเซียนและติมอร์เลสเตโดยรายชื่อของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั ก, กรีในปีนี้ก็ได้แก่เนการาบรูไนดารุสาราม ราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยของเรานะคะสำหรับ สุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจาักรีกของประเทศไทยคือนายสุเทพเท่งประกิจครูนักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละจากโรงเรียนบ้านคลองน้ำสายจังหวัดยะลาคา่ะซึ่งในท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมครูสุเทพเท่งประกิจได้ใช้ภาษามาลายู สร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิมและเข้าถึงคนในชุมชนนะคะอีกทั้งยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่และศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียงจนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากค่ะครูสุเทพเท่งประกิจ เป็นครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านคลองน้ำสาจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาั ก, กรีประเทศไทยปี2562ค่ะท่านได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลที่ทรงคุณค่าให้แก่ครูเพราะท่านตั้งใจจะเป็นครูมาตั้งแต่อย่างเด็กจากประสบการณ์ที่ได้เริ่มสอนรุ่นน้องในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน เมื่อโตขึ้นก็ส่งตัวเองเรียนด้วยการรับจ้างเป็นช่างเหล็กช่างปูนช่างไฟทำให้มีความรู้งานช่างจึงอยากนำความรู้ด้านอาชีพมาสอนให้กับเด็กรวมถึงการสอนการรู้หนังสือซึ่งผู้อำ่ำในการโรงเรียนก็ได้แนะนำให้ใช้ภาษาไทยย้อนยุคมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ รูปแบบการสอนจึงใช้กลุ่มคำที่เกี่ยวกับงานช่างรวมถึงการสอนตีราคาต้นทุนและค่าวัสดุอุปกรณ์การวางแผนการทำงานแล้วในช่วงก่อนปิดภาคเรียนก็จะสำรวจเด็กใครสนใจทำงานด้านใดเพื่อพาไปสมัครกับผู้ประกอบการในช่วงปิดเทอมเพื่อฝึกวินยัยฝึกความรับผิดชอบและการได้ลงมือปฏิบัติจริงการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ ครูสุเทพเท่งประกิจมองว่าการฝึกอาชีพที่แน่นอนให้กับเด็กบางครั้งอาจไม่ใช่งานที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วแต่การให้ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อสามารถเอาตัวเองรอดได้สำคัญที่สุดค่ะ สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะมู ล, ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากกักรีก็ได้มีการมอบรางวัลแก่ครูที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทั่วประเทศได้แก่คุณากรสองรางวัลครูยิ่งคุณ17รางวัลและครูขวัญสิทธ ร3 6สสิบหรางวัล น, นะคะโดยรางวัลคุณากรคือดาบตำรวจคณตช่างเงินครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ก่องขีตำบลโมกโกลอำเภออุ้งผางจังหวัดตากค่ะครูหนึ่งร่างแต่หลายวิญญาณ คือท่านเป็นทั้งครูทั้งหมอทั้งช่างทั้งผ่านโรงผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กและชุมชนให้มีชีวิตที่มีคุณภาพนะคะและอีกท่านหนึ่งคือครูปุญญาพรผิวขำครูชนานาญการพิเศษโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตำบลหนองสูงใต้อาเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านเป็นครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่ดึงความรู้ ทางนาโนเทคโนโลยีกระตุ้นการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่การแก้ปัญหาชีวิตนะคะนี่คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจั ก, กรีในปี2562ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ครูทุกท่านทั้งจากประเทศไทยและอีก10ท่านนะคะใน อาเซียนของเราข่าวๆที่เป็นมงคลเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารำลึกถึงพระคุณของครูนะคะครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่ครูคนที่สองของเราก็คือผู้ที่เราไปเรียนกับท่านสมัยก่อนแหมกว่าจะไปเรียนได้นี่ต้องไปสืบเสาะแสวงหาตักกระสีลานะคะแล้วผู้หญิงสมัยก่อนก็ไม่มีโอกาสเร็นหนังสือ เหมือนยุคนี้สมัยนี้นะคะตอนนี้เรามีครูที่เป็นผู้หญิงเยอะเพราะว่าครูเหล่านี้ก็ได้รับโอกาสในการเรียนหนังสือต่อเนื่องมายาวนานดังนั้นอยากฝากเด็กๆที่รักนะลูกพระคุณของครูไม่ว่าจะครูที่บ้านครูที่โรงเรียนหรือแม้แต่ครูพักลักจำหลายคนงงว่าเอ๊ะ อะไรคือครูพักลักจำอย่างเช่นเราไปเห็นเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไปแอบมองเขาโดยเขาไม่ได้ตั้งใจสอนเราหรือเราอาจจะไปอ่านงานเขียนที่เขาฝากไว้นู่นนี่นั่นเราก็สามารถเรียกครูเหล่านี้ว่าครูพักลักจำได้เพราะท่านไม่ได้สอนกับเราโดยตรงพระคุณเหล่านี้เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆนะคะเินได้มีโอกาส รู้จักกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นแรกคือครูชาตรีสําราญแห่งบ้านบาโดก็เคยนําเสียงสัมภาษณ์ท่านออกรายการนี้ไปตั้งแต่มาจากรายการนี้ใหม่ๆนะคะทุกวันนี้ครูชาตรีสําราญแห่งบ้านบาโดก็ยังคงเป็นครูที่ลูกศิษย์สํานึกในพระคุณครูเสมอมาแล้วก็เดนได้มีโอกาส เห็นการทำงานของเพื่อนครูอีกหลายๆท่านท่านเป็นครูที่เรากราบไหว้ศรัท ธ, ธาท่านได้โดยไม่ต้องเป็นลูกศิษย์โดยตรงของท่านจริงๆดังนั้นรายชื่อครูเหล่านี้ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นครบทุกท่านนะคะ แต่เราก็ส่งจิตคาระวะครูได้เช่นกันเพราะทุกท่านเหล่านี้ทำให้เกิดชีวิตวัฒนธรรมในชุมชนและลูกศิษย์ของท่านก็จะส่งผลในการที่จะเป็นคนดีไปรอบๆชุมชนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็กราบคาระวะครูทุกท่านด้วยดวงใจเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็ ฟังเพลงที่สองจากคุณทเนศกันก่อนนะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากในชีวิตวัฒนธรรมชาวนี้ค่ะเกิดมาคืนคมระทมอุระ สุขอย่างไรกันนั้นสุขเพียงในฝันหรือไรเรียบดังชีวิตนั้นมีความนั้น จะตายไม่รู้เมื่อไรโอฉชนายชีวิตคอยเป็นนายเรามีแต่น้ำตามาปรอบหัวใจให้คลายความช่ว้ทุกคนช้า t o a ra, n e e o m s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 เวลาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กกผ่านไปเรื่อยๆนะคะฟ้าเริ่มจะสางนะคะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะเหนื่อยง่วงดื่มน้ําสักนิดไหมคะหรือว่าถ้าขับรถอยู่ง่วงหยุดเลยนะคะจอดหาที่จอดที่ปลอดภัยแล้วก็พักสักครู่นะคะแล้วก็ทําให้ตนเองหายง่วงแต่ถ้าท่านที่ขับรถทางไกลไม่ไม่ไม่สามารถที่จะหยุดพักรถได้เนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะ ไม่ให้ง่วงนะคะก่อนจะออกรถมาท่านนอน อิ่มแค่ไหนร่างกายพร้อมไหมนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แก้ง่วงเป็นลูกอมรสจิจจาดนะคะเดีย๋ยวเคยเห็นน้องที่ทำงานค่ะไปทำงานด้วยกันไกลๆต่างจังหวัดโอ้เดินทางกันเต็มวันนะคะสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยคุณผู้พังทราบไหมคะว่าเขาใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งดิฉันสะดุ้งเลยโอ้โหเฮอโอโหเฮเลยนะคะน้องเขามีถุงพลาสติกกบแก็บกแก็บ แล้วเขาก็หยิบมันขึ้นมาคุณผู้ฟังที่เคารพคะมันคือสมุนไพรในครัวเรือนเราสดๆเลยค่ะมีทั้งสีเขียวสีแดงมันคือพริกขี้หนูนั่นเองผู้จริงไม่ได้อิงนิยายนะคะ น, น้องที่ทางานที่ดเดนรู้จักเนี่ยพอเขาบอกว่าถ้าเขาต้องขับรถไกลๆบางทีมันง่วงเขาจะเคียวเคี้ยว พริกขี่หนูส ด, สดๆเลยดิบๆเลยนะคะแบบนี้ไายแน่มากเลยหยิบพริกขี้หนูทั้งเม็ดค่ะเข้าปากเคี้ยวเขาบอกว่ามันตาสว่างทันทีจะกลืนหรือไม่กลืนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ทําให้เขาหายง่วงอันนี้ดิฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแนะนําคุณผู้ฟังท่านอื่นนะคะเพียงแต่ยกตัวอย่างว่าแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีแก้ง่วงของเขาต่างๆกันใช่ไหมคะบางคนเขาก็จะมีน้ําเย็นจัด ดื่มเช่นใจแต่น้องคนเนี้บอกว่าพลิกขี้หนูเอาอยู่จริงๆก็แล้วแต่นะคะเพียงแต่ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภยัยแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแต่ว่าไอ ยาเสพติดยาบ้ายาขยานันอะไรทั้งหลายทั้งปวงโปรดจะไปค้องแวะนะคะเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเราเสียหายเสียหายจริงๆค่ะคุณแฟงคะเดนมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่อาจจะเงาเงาอยู่หรือว่าไม่เงาค่ะแต่ว่าอยากได้อาชีพเสริมรายได้นะคะหรืออาจจะเป็นแก้เงานะคะตอนนี้เดนก็เห็นข่าวจากหน้าหนังสือพิม เอ่อนังสือพิมพ์ร b บ i ิด o d นะคะขอบคุณมากๆเลยที่ลงข่าวนี้เห็นแล้วก็เอามาฝากคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็สนใจนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไปกับเขาไหมมีการอบรมฝึกอาชีพฟรีค่าฟรีอบรมฝึกอาชีพฟรีนะคะท่านที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลที่กำลังมองหาการฝึกอาชีพนะคะก็ เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครอ่าวใกล้ๆบ้านดิฉันเลยนะคะเขากำลังเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลากหลายวิชาเลยแะคะ่ะหลักสูตรก็จะอบรมกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์80ชั่วโมงรุ่นที่10ทับ 2,562 นะคะ เ, เรื่องนี้ก็มีคุณไพรโรจนรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกมาประกาศข่าวเลยนะคะว่าเรียนใช้คํานี้เองนะคะประกาศข่าว <c ười> คือไม่ชอบใช้คําว่าเปิดเผยว่าเพราะว่าจะแซวกันว่าถ้าเป็นความลับก็อย่าบอกจีนะคะเอาเป็นว่าคุณไพโรจนทรอดผู้อำนวยการเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครท่านมาเชิญชวนนะคะว่าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรวันกันถึงวันศุกร์80 ชั่วโมงรุ่นที่ส0บของปี2562นะคะตั้งแต่วันที่สองถึงยี่กรกฎาคมเรียนกันตั้งแต่9้านาฬิกาถึงส5บห้านาฬิกาพูดง่ายๆ9้า9โมงเช้าถึงบายสามโมงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้าวิชาที่เปิดสอนได้แก่ขนมไทยโอ้น่าสนใจเนาะอาหารไทยอาหารว่างเบเกอรี่ดอกไม้ดินไทยการจัดดอกไม้สด กรอบรูปและการกัดลายกระจกการกัดลายกระจกเด็กๆอาจจะนึกไม่ออกเขาก็เอาแผ่นกระจกมาละคะแล้วก็กัดให้มันเป็นรูปรอยต่างๆแล้วก็ไปทำกรอบแขวนขายได้ราคาดีนะคะนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปสมุนไพรสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้การร้อยลูกปัดของํำรวยศิละปะประดิษฐ์ศิละปะประยุกซ่อมคอมพิวเตอร์ ซ่อมโทรศัพท์มือถืองานผูกผ้าและประดับตกแต่งสถานที่การใช้งานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาดหนึ่งนิ้วสองใบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งฉบับ ทบทวนค่ะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21็มิถุนายนนี้โดยใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาดหนึ่งนิ้วสองใบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งฉบับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์0ย์สองห้าสี่ศสี่สามเจ็ดห้าถึงหศนย์สองห้าสี่สี่สาม หถึงหกนะคะรีบโทรไปเลยนะคะฟรีค่ะฟรีน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอ้ภาษาอังกฤษนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคะนักศึกษานิสิตที่เพิ่งเรียนจบก็เป็นลงเรียนกับเขาฟรีได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเตรียมตัวไปสอบอะไรต่างๆอี ก, อกๆอะไรของท่านก็แล้วกันหรือตอนนี้จะไปสมัครงานเขาก็ หาความสามารถพิเศษนะความรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองภาษาที่สามเป็นเรื่องสำคัญพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ค้ามีโอกาสไปเรียนกับเขานะคะจะได้คุยกับชาวต่างชาติที่เขามาใช้บริการได้ด้วยอ้าวนี่เป็นข่าวดีนะคะที่นำมาฝากกันย้ำโทรศัพท์มือถือ 025404375-6 ก็ขอเชิญไปสมัครเรียนกันได้นะคะเราอาจจะมีอาชีพเสริมไรายได้เราอาจจะมีความรู้ที่จะมาทำอะไรอะไรในบ้านตั้งแต่อาหารการกินหรือว่าเป็นงานอดิเรกนะคะสำหรับคนที่จะ เกษี ords, ยณอายุราชการในอีก <ielle> ไม่กี่เดือนข้างหน้ายิ่งน่าสนใจใหญ่เลยนะคะอ้แต่ว่าเขาจะเรียนได้หรือเรียนไม่ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับวันเวลาด้วยเพราะเพราะว่าเขาอบรมจันทร์ถึงศุกร์อ๋อคนที่รับราชการไปเรียนไม่ได้นะคะแต่คนที่ว่างจริงๆไปเรียนได้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีนะคะที่นํามาฝากกันในเช้าวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้ยังมีเวลาถึง21นะคะก็ไปสมัครเรียนกันได้ค่ะ คุณวังคะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มีเรื่องเตือนภัยมาเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะคะที่มีคนป่วยและเสียชีวิตกันไปแล้วดังนั้นอย่าให้ยุงกัดนะคะโดยเฉพาะเด็กๆและผู้สูงวัยนะคะหลายคนก็ชอบมานั่งตากลมผึงลมชมวิว ตอนกลางวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าตอนที่พบพบค่าเนี่ยยุงชุมแต่เจ้ายุงลายเนี่ยมันก็มีเวลาที่มันจะมาดูดเลือดเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้โดนยุงอะไรกัดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นยุงรำคาญยุงลายยุงก้นปองไม่รู้แหละ น, นี้โรคไร้ายๆมันกลับมาเยอะมากแม้แต่โรคที่มันหายไปจากบ้านเรานานมากแล้วเช่นโรคเท้าช้างมันยังกลับมาเลยนะคะวั น, นโรคที่หายไปนานแล้วก็กลับมาไม่ได้อยากให้มันกลับแต่เมื่อมันกลับเราต้องส่งข่าวบอกกันให้รู้จะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเสมุนไพรที่จะใช้ ไล่ยุงนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังทำงานอยู่นอกบ้านคงจะสูมไฟไล่ยุงลำบากเหมือนกันยิ่งฝนแฉะแฉะอย่างนี้ติดลำบากนะคะไฟที่ว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้สมุนไพรที่ทาตัวแต่ไครหอมเนี่ยดีๆนะคะเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยก็ขออนุญาตไม่บอกนะคะว่าจะซื้อยี่ห้อไหนอะไรยังไงไปหาตามร้านขยายยาสมุนไพร หรือร้านขายยาทั่วไปมันมีขายเราเลือกได้จะเป็นสมุนไพรหรือว่ายาที่มันมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยก็เอามาทาตัวกันแต่ถ้าสมมติว่าตอนที่ดิฉันอยู่บ้านเนี่ยนะคะแล้วจะต้องอยู่ในเวลาที่ยุงมันเริ่มชุมไม่ว่าจะเป็นเช้ามืดตอนกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยดิฉันจะมีสมุนไพรใกล้ตัวหนึ่งอย่างชอบเก็บเปลือกส้มค่ะคุณผู้ฟังคะเปลือกส้ม ไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มเช้งส้มโอส้มอะไรก็แล้วแต่กินส้มแล้วดิฉันจะเอาเปลือกอะตากแห้งแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้โดยเฉพาะส้มโอเนี่ยนะคะแหมเปลือกมันทั้งใหญ่ทั้งหนาเวลาที่ต้องเสี่ยงกับยุงจะบินมากัดเี้งก็จะจุดไฟแล้วก็โยนเปลือกส้มลงไป คุณผู้แังค้ามันไล่ได้มากกว่ายุงอีกมแมลงรบกวนต่างๆเรามันหายไปเกลี้ยงเลยนะคะในขณะที่เราหอมกลิ่นเปลือกส้มแต่มแมลงทั้งหลายโดยเฉพาะยุงเนี่ยมัน ไม่ชอบมันหนีหายไปจากเราก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรใกล้ตัวในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็มีผู้คนตื่นตัวที่จะกลับมาใช้สมุนไพรกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกให้เกิดประโยชน์กับเรามองย้อนไปถึงอดีตนะคะโอเวลาคกาๆกลับจากนากลับจากสวนกลับจากไรเราไม่มีมุงลวด เราก็ได้ใช้สมุนไพรเหล่านี้แหละคะ่ะมาช่วยป้องกันยุงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดมากๆก็ป้องกันกันดีๆนะคะเดินสำรวจต่อบ้านเลยดิฉนันเองก็ทํานะคะอะไรที่มันมีน้ําขังจับมันคว่ำให้หมดเลยค่ะกะโหลกกะลาหรืออะไรต่างๆที่เป็นภาชนะที่ทําให้เกิดน้ําขังได้เนี่ยนะคะความมันทิ้งซักแต่ถ้าเกิด มันจำเป็นจะต้องรออะไรต่างๆไว้เนี่ยหยดน้ำส้มสายชูลงไปก็ได้นะคะเ อ, อ่อพอหยอดน้ำส้มสายชูแล้วเนี่ยยุงมันก็ไม่สามารถมาวางไข่ในน้ำนั้นได้หาทางป้องกันช่วยตัวเองกันให้มากที่สุดจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะตอนนี้ถนนลื่นค่ะเพราะฉะนั้นรองเท้าก็เป็นเรื่องสาคัญถ้ารู้ว่ามันสึก จนลื่นเปลี่ยนคู่ใหม่นะคะอย่าใส่ออกไปเพราะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้มีเรื่องราวต่างๆที่รักและห่วงใหยคุณผู้ฟังนะคะนํามาบอกเล่ากันชีวิตวัฒนธรรมเราไม่ได้มุ่งเน้นกับของเก่าไปอย่างเดียวนะคะแต่อะไรที่จะดูแล ก, กันได้เราก็ดูแล ก, กันค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังว่างเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ไปเที่ยวกัน พักผ่อนกันนะคะโอดิีฉันเห็นภาพแล้วอยากไปกับเขาด้วยเขาชวนไปดูนกชมควายที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะโดยเห็นเห็นเรื่องและภาพของคุณขชาชาติอนนนทศีหานะคะเขียนเอาไว้ในหนังสือพิมพ์แจกนะคะก็เลยโอเอามาอ่านต่อให้คุณฟังชวนคุณฟังไปเที่ยวด้วยก็แล้วกันมีรูปพระอาทิตย์ บนเหลี่ยมเขาอ่างเก็บน้ำมีนกขาวๆเต็มเลยนะคะน่าจะเป็นนกกระยางนกอะไรต่างๆมันขี่หลังควายแล้วก็มีนกสวยๆเช่นออนกปลอดนกเอี้ยงนี่นะคะมันก็ขี่หลังควายชวนไปไม่ไกลหรอกค่ะแค่อ่างเก็บน้ำบังพระนี่เองนะคะ ประตูบานแรกที่เปิดสู่ภาคตะวันออกคือจังหวัดชนบุรีระยะทางก็ประมาณร0อกิโลเมตรนะคะคุณฝั่งก็ไปเที่ยวทั้งบางแสนพัทยาสัตหีบแล้วก็ไปอ่างเก็บน้ำบางพระนะคะโดยเฉพาะคนที่รักธรรมชาติเช่นกลุ่มคนดูนกก็ไปเที่ยวที่นี่กันนะคะตอนนี้ก็จะมีนกประจำถิ่นที่มันมา โอดโฉมบินสวยๆให้เราเห็นเยอะแยะมากมายแล้วก็นกอพยพก็มีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีเวลาก็ไปดูนกไปเที่ยวกันที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะเพราะว่าเราจะเห็นนกที่แปลกตาอย่างพวกนกอีโก้งนกอีลัมนกอีแจวนกดงกกนะคะซึ่งมันก็จะเป็นนกที่เราไม่ค่อยได้เห็นทั่วๆไป มันก็มาบินกันที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะคะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวนะคะมีนกสวยๆถ้าตอนเย็นคุณผู้หังก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินเห็นคนเลี้ยงควายต้อนควายกลับเข้าคอกแล้วก็จะได้เห็นเจ้าเอี้ยงมันขี่หลังควายแล้วก็ไปกินอาหารทะเลอร่อยๆอกันนะคะไม่ต้องโฆษณาก็ทราบว่าชนบุรีนี่มีอาหารทะเลซารพัทที่จะให้เราไปหา กินอร่อยอร่อยได้ขอบคุณนะคะสาหรับคำาชักชวนที่เดนได้อ่านจากคุณขชาชาติ อ, อนุทศีหาค่ะชวนคุณฟังไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ก็มีเวลาไปค้างสักคืนหนึ่งก็ได้หรือจะไปเช้ากลับเย็นก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพมาถึงช่วงท้ายของชีวิตวัฒนธรรมเช้ามืดวันเสาร์ที่สิบห้ามิถุนา ย, ยนแล้วไก่เริ่ม เอกอี่เอกมาเตือนดิฉันว่าจะหมดเวลาแล้วจ้าคุณนกจิบจิบก็มาตักมาเตือนดิฉันแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะช่วงนี้ดิฉันได้รับความอนุเคราะห์หนังสือดอกสร้อยร้อยบุปผาร้อยคุณค่าสมุนไพรไทยจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณสัจจภูมิละอ อ, อเขียนหนังสือนี้ไว้นะคะในโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเออ สมุนไพรไทยนะคะก็ขอนำมาอ่านคุณฟังเด็กๆรู้จักดอกส้อยใช่ไหมคะเป็นกรอนชนิดหนึ่งของไทยเราคำที่สองจะมีคำว่าเอย๋ยจบด้วยคำว่าเอย๋ยมีทั้งหมด8วากด้วยกันบทนี้กล่าวถึงคุณค่าของต้นกาหลงซึ่งเป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว เรียงสลับออกดอกเป็นช่อสีขาวนะคะแล้วก็มีชื่อหลายๆชื่อเลยค่ะโยธิกาส้มเซี่ยวเซี่ยวน้อยกระแจะกูโดนะคะซึ่งมีสรรพคุณรากแก้ไอขับเสมหะปวดศีรษะดอกแก้ปวดศีรษะลดความดันโลหิตยอดอ่อนและดอกกินได้นำมาทำซุป หรือยำกินเนื้อไม้สามารถแกะเป็นรูปตัวนกกาใส่ในสีพึ่งทาปากให้คนหลงรักอันนี้เป็นคติความเชื่อแบบโบราณนะคะไม่ได้ยืนยันทางวิทยาศาสตร์แต่คุณสัจภูมิละ อ, อได้แต่งเป็นดอกสร้อยร้อยสมุนไพรไว้ว่ากาเอย๋ยกาหลงเด่นในดงออกช่อละ อ, อขาวแกะรูปกาเก็บตลับสีพึ่งวาว ท่าปากพราวสเสน่้ำคำโบราณรากแก้บิดแก้ไอคลายปวดหัวเสมหะตัวติดคอพอช่วยผานใครเลือดออกซอกฟันนั้นรีบทานคนอาการความดันสูง ปรุงดื่มเอ่ยขอบคุณนะคะสำหรับดอกสร้อยร้อยบุกผาร้อยคุณค่าสมุนไพรไทยของคุณสัจภูมิละอศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์จัดพิมพ์ค่ะเช้ามืดนี้ดิฉันพนธรรมเนียมอินรายการชีวิตวัฒนธรรมคงต้องขอลาทุกท่านไปเพียงนี้นะคะคุณะเนศควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆให้เราได้รับฟังกันด อ, อร์กุลกนิษฐ์ทองเงาควบคุมรายการดิฉันและ ทีมงานจะกลับมาพบกับท่านอีกในเช้ามืดวันเสาร์หน้าเวลาตี4ถึงตีหทาง FM 89.5 แหแห่งนี้ก็เช้าแล้วนะคะขอทุกท่านมีความสุขสดชื่นและปลอดภัยในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะรายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดย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 อ่อนรักอ่อนคำรำพันเศกสันเอ่ยคำปลอบใจจวบจนฟ้าสางสว่างไปแววเสียงสําเนียงนกไรกล่อมให้นวลน้นองนิทรามีรักเพียงใจหรือไทยสุขสันต์ ชวนชี้ให้ชมดวงจันทร์คืนนั้นสุขลำกุราแจ่มจันทร์นั้นงามอารามตาข่าชมพิรมน้องข่าควัสุดานุมตักแทนมองคืนนี้คืนนั้นผิดกันไป ภาพเปล่าเปลี่ยวใจใครพาน้องข้าจากจอโกรธแค้นเครื่องใครจึงตาโรนเคยรักเคยวอนรำพันหรือใจเจ้านั้นเป็นื่อคืนนี้มองจันทไม่งามผ่องใส คนรักกันเพียงดวงใจเคยไม้มั่นไว้ยั่งยืนข้าคอยขวัตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังสะอื้นทุกวันคืนครวนคร่ำคอยหา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 ีมองฉันไม่งามผ่องใสคนรักกันเพียงดวงใจเคยหมายมันไว้ยั่งยืนข้าคอยขวตาทุกค่ำคืนข้านอนฝันยังสะอื้นทุกวันคืนครวรคร่ำคอยหา